วิธีคิดแบบที่10บวิธีคิดแบบวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทวิธีคิดแบบวิพัชวาทะความจริงวิพัชวาทะไม่ใช่วิธีคิดโดยตรงแต่เป็นวิธีพูดหรือการแสดงหลักการแห่งคำสอนแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามการคิดกับการพูดเป็นการใกล้ชิดกันที่สุด ก่อนจะพูดก็ต้องคิดก่อนสิ่งที่พูดล้วนสำเร็จมาจากความคิดทั้งสิน้นในทางธรรมะก็แสดงหลักไว้ว่าว่าจีสังขารคือสภาวะที่ปรุงแต่งคำพูดได้แก่วิตกและวิจารดังนั้นจึงสามารถกล่าวถึงวิพัชวาธาในระดับที่เป็นความคิดได้ยิ่งกว่านั้น คำว่าวาทะต่างๆหรือที่เรียกกันว่าวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งแหล่งไปถึงระบบความคิดซึ่งเป็นที่มาแห่งระบบคํำสอนทั้งหมดที่เรียกกันว่าเป็นลาดที่หนึ่งศา ส, สนาหนึ่งหรือปรัชญาสายหนึ่งเป็นต้นคําว่าวาทะจึงเป็นไวยพจน์แห่งกันและกันของคําว่าทิฏฐิทิฏฐิหรือทฤษฎีเช่นสัพพติกวาทะ หรือสภทัทิกทิฏฐินัติกาวาทะหรือนัติกาทิฏฐิสัสตาวาทะหรือสัสตาทิฏฐิอุเฉทวาทะหรืออุเฉททิฏฐิอเหตุกะวาทะหรืออเหตุกาทิฏฐิเป็นต้นคำว่าวิพัฒยวาทะหรือวิพัฒวาทนี้เป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา เป็นคำสำคัญคำหนึ่งที่ใช้แสดงระบบความคิดที่เป็นแบบของพระพุทธศาสนาและวิธีคิดแบบวิพัชวาธะก็มีความหมายคลุมถึงวิธีคิดแบบต่างๆที่กล่าวมาแล้วได้หลายอย่างการกล่าวถึงวิธีคิดแบบวิพัชวาธะนอกจากทำให้รู้จักวิธีคิดแง่อื่นๆเพิ่มขึ้นแล้วยังจะช่วยให้เข้าใจวิธีคิดบางอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ชัดเจนขึ้นอีกด้วยการที่วิพัฒวาทาเป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาหรือเป็นคําหนึ่งที่แสดงระบบความคิดของพระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่าเป็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นวิพัฒวาทาหรือวิพัฒวาทีและคําว่าวิพัฒวาทาหรือวิพัฒวาทีนั้น ก็ได้เป็นคำเรียกพระพุทธศาสนาหรือคำเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ใช้อ้างกันมาในประวัติการแห่งพระพุทธศาสนาเช่นในคราสังคยนาครั้งที่สพระเจ้าอาโศกมหาราตรัถามพระโมคคิลีบุตรติสสาเทระประธานสงในการสังคยานาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวาทอยางไรพระเทระทูลตอบว่ามหาปุพพิธ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นวิพัชวาทีถึงตรงนี้ก็เท่ากับบอกว่าวิพัชวาทะนั้นเป็นคำใหญ่ใช้เรียกรวมรวมหมายถึงระบบวิธีคิดทั้งหมดของพระพุทธศาสนาวิพัชวาทะมาจากวิพัชะบวกวาทะวิพัชะแปลว่า แยกแยะแบ่งออกจำแนกหรือแจกแจงใกล้กับคำที่ใช้ในปัจจุบันว่าวิเคราะห์วาทะหรือวาดแปลว่าการกล่าวการพูดการแสดงคำสอนระบบคำสอนลัทธิวิพัชวาทะหรือวิพัชวาดก็แปลว่าการพูดแยกแยะพูดจําแนก หรือผู้แจกแจงหรือระบบการแสดงคำสอนแบบวิเคราะห์ลักษณะ ส, สำคัญของความคิดและการพูดแบบนี้คือการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยกออกให้เห็นแต่ละแง่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้านไม่ใช่จับเอาแง่หนึ่งแง่เดียวหรือบางแง่ขึ้นมาวินิจฉัยตีคลุมลงไปอย่างนั้นทั้งหมดหรือประเมินคุณค่าความดีความชั่วเป็นต้น โดยถือเอาส่วนเดียวหรือบางส่วนเท่านั้นแล้วตัดสินพรลดลงไปวาทะที่ตรงข้ามกับวิพัชนวาทะเรียกว่าเอกังสวาทะแปลว่าพูดแง่เดียวคือจับได้เพียงแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก็วินิจฉัยตีคลุมลงไปอย่างเดียวทั้งหมดหรือพูดตายตัวอย่างเดียว เพื่อให้เข้าใจความหมายของวิพัชวาทะชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจำแนกแนววิธีคิดของวิพัชวาทะนั้นออกให้เห็นในลักษณะต่างๆดังนี้